ท่านฟังคะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการ ส, ามสัมม น, นาสนทนาเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ให้ท่านได้ปฏิบัติกันก่อนเพื่อที่จะได้ให้รวบรวมใจให้เป็นสมาธิซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการฟังธรรมที่เรากำลังจะได้ฟังต่อไปในส่วนนี้เป็นช่วงพิเศษสำหรับเทศกาลเข้าพรรษาที่พระไตรณ์อภิปุณโณ ท่านจัดให้ในส่วนที่สองเราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเนี่ย น, นะคะและตอนนี้ท่านก็ได้มาพบกับพวกเราอยู่ในขณะนี้แล้วค่ะนมัสการณ์ท่านพระดูนค่ะรพระเจรย์ปอนดค่ะในพุทธประวัตนะิที่เป็นจากพระโอษฐ์ในวันนี้ก็ตอนที่เราได้พูดถึงลักษณะของพระพุทธเจ้า32มสประการแล้วเราก็จะมาไล่ไปตั้งแต่ตอนที่พระเจ้ายังเป็นเด็กอยู่ในโพธิสัตว์นี้ยังเป็นเด็กอยู่ ออตอนที่ยังเป็นครว่าตอยู่เนี่ยโอ้โหได้ต้องก่อนที่จะพิจาร้นต้องอธิบายก่อนว่าพริชจ้าบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมานดังโพธิสัตว์เนี่ยเวันแล้วก็ตายที่วงโคดจะมีอายุอยู่แค่7วันหลังจากโพธิสัตว์ประสูติแล้วตรงนี้อาจารมามีความคิดว่าเนื่องจากว่าอยู่ในคันนานทําให้แม่เนี่ยให้อาหารอย่างเต็มที่เลยนั่นเลยทําให้ใหลังจากคลอดมาก็อยู่ได้ไม่นานก็ตายเพราะ ว, าว่าสารอาหารต่างๆถูกเอาไปหมดอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตประการหนึ่งอย่างไรก็ตามพอโตมาเป็นเด็กเป็นอะไรขึ้นมาเป็นวัยรุ่นขึ้นมานพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีลาภักสารมีทรัพย์สมบัติมากก็ได้รับการบำเรอด้วยกรมคุณในะทุกอย่างเลยในะเวลาอยู่บ้านอย่างงี้นะคุณยมติวก็มีบ้านสามหลังคือมีปราสาทสามชั้นสามหลังนะแต่ละฤดูไม่เหมือนกันฤดูหนาวก็มีหลังหนึ่งฤดูร้อนก็หลังหนฤดูฝนก็หลังหนึ่ง แต่และปีทั้งปีเนี่ยทาไม่ต้องติดพื้นนะแล้วก็ เ, เวลาลูกน้องอพวกข้าทาสบริบาลอย่างเงี้ยก็กินอาหารอย่างดีใช่ไหมกินอาหารอย่างดีใครใครคิดว่าลูกน้องนี่เราเลี้ยงด้วยเศษอาหารไม่ใช่ในวังเรานี่เลี้ยงด้วยเนื้อเลี้ยงด้วยหมูเลี้ยงด้วยข้าวที่เม็ดยังเต็มๆอยู่ไม่ใช่เศษข้าวหักอย่างนี้ลักษณะ น, นี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความที่โรงเนี่ย แม่ได้รับการบำเรอ ด, ด้วยกามอย่างเต็มที่นะตรงนี้อตักขาเพิ่มเติมนะ <Okay. S 1> ว่าช่วงที่พระองค์มีความสุขอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ด้วยความคิดที่ของพระบิดาที่ไม่ต้องการจะให้ออกบวชนะซึ่งพุทธวจนะไม่ได้กล่าวไปซึ่งอาตมาคิดว่าถ้าเป็นรพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่กล่าวเรื่องไม่ดีของคนอื่น <Okay. S 1> คงจะไม่กล่าวเจตนาที่ไม่ดีของอพระบิดาที่ต้องการอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะก็จึงไม่ได้พูด อย่างไรก็ตามตรงนี้อัตถคถาบอกว่าอายุสิบหกปีเนี่ยเรียนจบทุกอย่างเรียนจบเวททุกอย่างวิชา ย, ยิงธนูวิชาอักษรศาสตร์วิชาแต่งกลาแรงต่างมีหมดเรียนจบหมดแลพระเจ้าไม่ได้พูดถ <nicht S 1> <ร>ึงเรื่องพวกนั้นเลยอค่ะแล้วก็เรื่องของการแต่งงานพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าพระองค์แต่งงานอายุเท่าไหร่เรียนจบเท่าไหร่นะเมื่ออายุเท่าไหร่ก็ไม่ได้กล่าวเรื่องนั้นเลยคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอเลสสีจึงไม่ได้พูดถึงอย่างไรก็ตามอัตคถาก็เพิ่มไว้ตรงนี้ แล้วก็วกริเท้าเนี่ยบอกว่าที่ถึงแม้ได้ความเอิบอิ่มในกามเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นไก่มากมายขนาดนี้นะมากมายขนาดนี้แล้วก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่มีความระลึกได้ว่าไอ ก, กามพวกนี้มีมีคุณ น, น้อยมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีโทษมากนะโทษอันร้ายแรงในกามนั้นมีอยู่อย่างยิ่ง แล้วก็ไปนึกเปรียบเทียบว่าเ ก, การบนสวรรค์เนี่ยมันยังมีละเอียดกว่านี้อีกนะการบนอย่างเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยมีความละเอียดเพียบพร้อมด้วยการ ม, มาคุณมากกว่าที่พระองค์ได้อยู่ในปัจจุบันนี้พระองค์จึงเบื่อหน่ายต่อกามที่พระองค์ได้รับในปัจจุบันนั้นหมายความว่าต่อให้เขาเลี้ยงดูอย่างดียังไงเอา อ, อาหารละเอียดประนีขนาดไหนให้นุ่งห่มด้วยซักผ้าที่ดีๆยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางดีไปกว่าของเทวดา เลยเบื่อว่างั้นเถอะแสดงว่าตอนนั้นนะอาตมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสมาธิแล้วนั่งสมาธิได้ระดับหนึ่งแล้วถึงจะสามารถรู้เห็นหรือระลึกได้เรื่องพวกนี้นะค่ะแล้วก็มีความคิดอย่างนี้คือมีครั้งหนึ่งในสมัยนั้นเนี่ยพวกนางสนมอะไรต่างๆเนี่ยก็มาอ้ดโอยกับความแก่นะเห็นคนอื่นแก่เนี่ก็บอกว่ายยายนี่สิแบบ ฟันก็หลุดหนังก็เหี่ยวผมก็งอโอ้ยเกลียดเกลียดเกียดไม่ชอบน่าเกลียดนะ่ากลัวอย่างเงี้ยนะพวกก็มาระลึกว่าอา้อาวเฮ้ยอ้คนที่พูดอยู่นี่มันก็ต้องแก่เหมือนกันนะแล้วคุณต้องแก่คุณต้องฟันงอผมหลุดแล้วยังมาเกลียดเขาเนี่ยวันหนึ่งตัวเองก็ต้องเป็นแล้วตัวเองไม่แก้ปัญหานี้มันฟังไม่เข้าท่าะนะจึงมีความคิดที่จะออกบทบว่าเอา้างั้นความไม่แก่ไม่ตายอยู่ไหนเราจะไปหาะนะพระเจ้าจึงระลึกได้ว่า บุคคลเนี่ยมีความเศร้าหมองอยู่รอบด้านอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังไปแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองอีกเนี่ยอย่างเช่นว่าคุณจะต้องแก่ต้องตายใช่ไหมก็ยังไปแสวงหาสิ่งต้องแก่ต้องตายคือมีอะไรทรัพย์สินช้างม้าโคลาแพ้แกะไก่ชนนักสุกรพวกเนี่ยต้องแก่ต้องตายหมดโอ๊ย<แ>ไม่เอาดีกว่าไปหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายดีกว่าหาดูในวางมีไหม<แ>ไม่มีหาไม่เจ อ, อก็เลยไปเอางี้ละกันไปหาข้างนอก นะด้วยความคิดนี้บอกว่ า, าสมัยอื่นนะทั้งที่ยังหนุ่มเกศา ย, ยังดําจัดนะก็ได้ตั้งอยู่ในปฐมวัยนะแล้วก็มีความหนุ่มอยู่เนี่ยก็ได้ออกบวชจากเรือนนะคือออกจากบ้านไปนะปลงผมและหนวดมารดาบิดาเนี่ยไม่ปรารถนาด้วยพากันร้องไห้น้ําตาหนองหน้าอยู่จึงออกบวชนะเป็นผู้ที่ไม่อยู่ด้วยเรือนแล้วก็ไปแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตาย ในที่อื่นพระพุทธเจ้าได้เคยบอกว่าพระองค์เนี่ยเดินทางออกด้วยมา้านะที่ชื่อว่ากันทกะอันนี้อธิถกถาก็เพิ่มเติมว่าออกบวชเอาเดินออกเนี่ยด้วยกับนายชนะพาออกมานะซึ่งอันนี้พระองค์ไม่ได้ตรัสเอาไว้อ๋อค่ะแต่ว่าพวกเราเรียนหนังสือกันเลยนะคะในตอนเด็กๆ เ, เ, เรียนจำได้ในชนะกับม้ากันทะกะใช่แล้วก็ <ไป S 1> เรื่อ ง, งแม่น้ำอ่าเรื่องม้ากันทะกะ เสียใจจนตรอมใจตายอย่างนี้นะ <Okay. S 1> ก็เคยได้ฟังอยู่อันนี้ก็เป็นอัตถกถาเพิ่มเติมมา <Okay. S 1> ก็เเรื่องที่ท่านเล่ามาอันนี่ก็คือก่อนที่พระองค์ออกบวช mm hmm. ก็มาถึงตอนที่ออกบวชแล้วสังเกตตรงหนึ่งว่าเรื่องตอนที่พระองค์ไปงานแรกนาขอเนี่ยแล้วนั่งสมาธิได้ใต้ต้นบ่าจะไม่ได้พูดถึงตอนนี้แต่จะไ ป, ประลึกได้ตอนที่กํากลัง ทำธุกร ก, กิริยาอยู่ซึ่งตอนนั้นเราจะเล่าเพิ่มเติมให้ฟังพผู้ชอบก็สรุปว่ามีอายุได้30มสยอนหนึ่งโดยวัยนะได้ออกบรรพชาสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลหลังนี้30มสิยอนหนึ่งก็คือยี่สิบเก้าปีอายุยีบเกปีตรงนี้ไม่ได้พูดถึงราหุลเลยสังเกตไหมไม่ได้ระลึกถึงว่าราหุลเกิดมามีความเศร้าโศกว่าโอ้ตายแล้วเป็นห่วงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็และนี้เป็นเรื่องที่อัตถกาษาเพิ่มเติมขึ้มขนมา อย่างเรื่องราหุนเนี่ยคิดว่าตอนที่ทำให้พระองค์มีความรู้สึกออกบวชนี่แหละว่าทำไมเราต้องแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายลูกเราเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันว่าเราออกบวตดีกว่านะแต่โดยบทเพียรชนะพระเจ้าก็อธิบายไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครเป็นใครเนาะอ๋อค่ะนี่ก็เป็นอะีกส่วนหนึ่งของพุทธวจนะจากพระโอษฐพุทธประวัติค่ะใช่ใช่พุทธประวัติส่วนเรื่องของอริยสัจสี่ที่ เราได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของอริยสัจสีไว้หลายอย่างละ่ะทีนี้มาถึงก่อนดีกว่าว่าเอ้ยพูดอริยสัจสีมามีแต่ประโยชน์ประโยชน์เนี่ยแล้วทํายังไงถึงจะรู้ได้พระพุทธเจ้าก็บอกไปสองอย่างว่าถ้าเธอจิตเป็นสมาธิเนี่ยจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงนะอ่าลีกเร้นถ้าเธอลีกเร้นแล้วเนี่ยจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงผู้หลีกเร้นเนี่ยย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริง S <S <S รู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประสิฐ ส, สีประการนั่นเองคือเริยสสติเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตเป็นสมาธิเราหลีกเร้นนะจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงฟันตรงได้อันนี้พุทธวจนะใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยหาเวลามานั่งสมาธิบ้างมาหลีกเร้นบ้างก็จะเป็นการดีนะค่ะเอ้ท่านคะอืแต่ฉันขออนุญาตเลยนะคะที่จะถา ม, <S <S มตรงนี้ว่า พระพุธโอมบอกวิธีการที่จะรู้อริยสัจสี่ยมีอยู่สองประการแต่ที่ท่านพูดถึงเรื่องจิตเป็นสมาธิกับหลีกเร้นอยู่ในประการเดียวกันถูกไหมคะคนละประการคือหลีกเร้นอันหนึ่งคือจิตเป็นสมาธิสองหลีกเร้นท่านคะทีนี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมคะหรือว่าต้องทั้งสองประการอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างใดหนึ่งก็ได้เพราะว่าอย่างนี้มันเป็นเกื้อกูลกันอืค่ะโอ้ค่สองอย่างเนี่ยหละอคะรู้อริยสัจแล้วใช่ ผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงอันนี้อันที่หนึ่งอีกประสูนย์หนึ่งบอกว่าผู้ที่จิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงพูด <c oughs> เหมือนกันแป๊ะเลยแต่เปลี่ยนคำว่าจิตเป็นสมาธิกับเป็นผู้หลีกเร้นเพราะว่า <c oughs> คนเป็นหลีกเร้นนะคุณยมติวมันจะจิตเป็นสมาธินะ <c oughs> คนจะจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยคุณก็ต like ้องหลีกเร้นอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในเรือนว่างห้องที่มีความสงัดเงียบไม่ค่อยมีเสียงมากเรื่องของเรียสสีก็ยังมีอีก ผมเยอะเลยล่ะอยายะศสีนี้คือทั้งหมดที่พระเจ้าสอนอก็ต้องบอกไปแล้วนะว่าต้องริกเล้นแล้วก็ต้องรู้เขาเรียกว่ามีจิตเป็นสมาธิอย่างจิตเป็นสมาธิอย่างที่ท่านได้ทํามาตอน<า>แรกว่างั้นเถอคิดได้นําพวกเราทุกวันทุกวันนั้นน่ะถือว่าเราได้พบอริยาาสัจหรือยังครับท่านคะก็สร้างเหตุที่ถูกต้องไงถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องเนี่ยนะอสักวันหนึ่งมันต้องได้ อ, อ๋อมือนถึงกับเราไต่เข้าทางแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคุณเดินอยู่ในมัคเนี่ยสักวันมันต้องถึงแนาะเพระเราเดินมาถูกทางคทางนี้จะสั้นบ้างยาวบ้างของแต่ละคนไม่เท่า ก, กันแต่ถ้าคุณเดินมาถูกทางนะมันต้องถึงแน่นอนค่ะคำว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ย อ, อาจจะฟังดูสั้นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าสมาธิเพียงใดละ่ะ ถึงจะได้พบอริยสัจสี่ในคราวนี้ท่านจะพูดไปเลยหรือว่าท่านอยากจะพูพื้นส่วนอื่นๆต่อก่อนท่าก็จะพูดไปเลยเพราะว่าจะอธิบายโดยคร่าวๆของแต่ละอริยสัจเลยคนะดัาแรกก็พูดถึงมรรคเลยนะมรรคในองค์หนึ่งก็คือเรื่องของสมาสมาธินี่แหละสมาสมาธิเนี่ยคือจิตที่เป็นหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งหลับตาดูหนังตาเงียบๆอยู่ในป่าใต้ต้นไม้หรือห้องว่างไม่ใช่นะคือจิตที่เป็นหนึ่ง จิต ท, ที่เป็นหนึ่งแล้วมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมารกรรมันต์สหเจอย่างเนี่ยแวดล้อมจิต ท, ที่เป็นหนึ่งอยู่นั่นแหละนั่นแหละสมาธ <คะ S 1> นะิจิตคุณเป็นหนึ่งอยู่ในเอกรีบทก็ได้ใดก็ได้อยู่ท่าไหนก็ได้ลืมตาอยู่หลับตาก็ได้ได้ทั้งนั้นขอให้จิตเป็นสมาธิจิตเป็นห <คะ S 1> นะึ่งจิตเป็นหนึ่งตรงนี้ก็อย่างที่เราทราบในระยะของฌารรนทะั้งสี่คือค <ะ S 1> ชานหนึ่งสามสี่ว่างั้ น, นเถอะ ทีนี้เด้งกลับมาที่ตรงทุกทุกเนี่ยก็คือความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ําไรลําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจพวกนี้เป็นทุกข์ทั้งหมดเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ว่าถ้าเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะก็เป็นทุกข์คือเราอาจจะคิดว่าเรามีความสุขอยู่ใช่ไหมชั้นชีวิตชันแฮปปี้มีความสุขมีทุกอย่างพี่พร้อมและวชั้นสบายไม่ทุกข์หรอกแต่ระหว่างจะมีสักวันหนึ่งที่คุณต้องพลัดพรากจากความสุขนี้ตอนตายไง ตอนตายไงคุณต้องตายแน่นอนคุณต้องพลาดพลาดจากความสุขนี้นั่นแหละเป็นความทุกข์ของคุณเราก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นั่นก็เป็นทุกข์กทีนี้บางคนบอกว่ า, าพระพุทเจ้าให้รับรู้เรื่องทุกข์นะรับรู้เรื่องทุกข์เร า, าไปรับรู้เรื่องพวกนี้มันก็ยิ่งไม่ทุกข์มากหรอความทุกข์นี่ความคิดที่เป็นอกุศลไม่ใช่ให้วางเหรออย่างนี้นอันนี้คิดถูกคนที่ถามเนี่ยเป็นคําถามที่ดีมาก เพราะว่าอกุศลเราต้องเอาออกแต่ทุกเราต้องรอบรู้นะรอบรู้ยังไงถึงเรียกว่ารอบรู้เรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรใช่ไหมรู้ที่สองเนี่ยเราต้องรู้ว่าโทษของมันคืออะไรรู้แรกเนี่ยคือรู้ตัวมันก่อนใช่ไหมถ้าคุณจะรอบรู้เรื่องทุกใช่ไหมคุณต้องรู้ในความเกิดคืออะไรนะความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นรักที่รักเป็นทุกข์เป็นยังไงความแก่เป็นยังไงความตายเป็นยังไงความโศกเป็นยังไงพุณผู้ชมอธิบายความตายความแก่คุณยมติวแม่ละเอียดมากเลยบอกว่าความแก่ความคล่าคร่า ความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปของอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์นะอย่างเช่นความสิ้นไปสิ้นไปของอายุเนี่ยคนอายุสามขวบไปเป็นอายุสี่ขวบคนทั่วโลกบอกว่าคุณโตขึ้นคุณไม่ได้แก่แต่พูะเจ้าบอกแก่ไงเพราะว่ามันสิ้นไปแห่งอายุสิ้นไปปีหนึ่งแล้วอย่างี้ะแต่ว่าเราเสมอภาคกันนะคะ ใ, ใครที่กาลังคิดว่าโอ้ยผมฉันยังไม่งอกเลย อย่าชะล่าใจเราแก่เช่นเดียวกันเพราะพระพุทธองค์บอกว่าความสิ้นไปสิ้นไปของอายุนั่นคือความแก่ถูกต้องค่ะแล้วก็พอเรารอบรู้ว่าตัวมันคืออะไรเราต้องรู้ที่สองคือโทษของเขาคืออะไรรู้ที่สามเออรู้ที่สองนี่คือประโยชน์ของเขาคืออะไรรู้ที่สามคือรู้โทษแล้วรู้ที่สี่เนี่ยคืออุบายในการนําออกซึ่งพอรอบรู้ตรงนี้เขาเรียกว่ารอบรู้เรื่องทุกข์ละถ้ารอบรู้อย่างนี้เราจะปล่อยวางได้เราจะสบายใจนะซึ่งคิดว่าในตอนต่อไปเนี่ย จะเอาเรื่องของแต่ที่เราพูดถึงเรื่องมรรคแล้วก็เรื่องทุกข์คร่าวๆไปเราจะพูดให้จบเลยก็ได้เรื่องตัณหานิดหนึ่งเนาะตัณหาคือเหตุของความทุกข์คือความอยากใช่ไหมเหตุที่ทําให้เราต้องมามีความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรําพันธุกรรทุกใจพวกนี้นะก็เพราะว่ามีความอยากความอยากเนี่ยทำให้มีการเกิดความอยากเนี่ยทำให้มีอุปทานอุปทานก็มีพบพบก็มีการเกิดการเกิดตรงนี้แหละ จึงทำให้เรามีทุกข์ทั้งหลายตามมา่บางคนบอกว่าอยากเกิดใหม่แล้วชีวิตมีความสุขมันมันไม่ได้หรอกมันพ่วงทุกข์ตามมาหมดอย่างน้อยก็ต้องไปเข้าห้องน้ําถ่ายทุกข์น ะ, ะอันนั้นก็คือมาจากความอยากส่วนความดับไม่เหลือของความอยากก็มีพรุทธเจ้าอธิบายไว้ในสภาวะสภาวะหนึ่งซึ่งไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่เป็นปรากฏการ์แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติให้เห็นได้นั่นคือเรื่องของการดับไม่เหลือของตัณหา ทีนี้ก็จะได้อธิบายคร่าวๆและครบอริยสัจทั้ง4ี่จนถึงวันนี้ในช่วงพรรษาเราได้พูดคุยถึงประโยคของอริยสัจสี่โมดแล้วนะเราได้พูดคุยคร่าวๆถึงอริยสัจแต่ละองคนะ์ความรู้ที่แต่ละอริยสัจเราต้องทราบอะไรบ้างในตอนต่อไปก็จะมาเจาะละเอียดละว่าอริยสัจแต่ละอย่างคืออะไรกันบ้างเนาะแต่เรนคิดว่าวันนี้ที่เราติดใจประทับใจและมีความหวังก็คือว่าพระพุทธองค์ พูดถึงเรื่องรู้อริยสัจเสี hmm. เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้เป็นการเร่งด่วนมากกว่ารู้อย่างอื่นเลยอ mm hmm. และได้ไขวิธีไว้ด้วยว่ามันมีสองทางเท่านั้นคือทางที่จิตเป็นสมาธิกับทางการหลีกเ <Okay. S 2> ล่นเราก็เลยเอย้มันน้อยดีนะฟังดูง่ายชักมีความหวังเราต้องมีโอกาสรู้อริยสัจได้แน่ mm hmm. สร้างกําลังใจเอาไว้จริงๆ นะคะแล้วก็มารู้กันพร้อมๆกันในรายการนี้ก็ได้สัสนิษฐานาเพราะเราจะสนทนากันในเรื่องนี้เป็นหลักค่ะคำสอนของพระพุทธองค์ล้วนมุ่งเน้นที่อริยสัจสี่และเทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็ให้ความสําคัญควบคู่ไปกับเรื่องราวของพระพุทธองค์ที่ออกจากพระพุทธองค์เองหรือที่เราเรียกกันว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ์วันนี้น้มักการขอบพระคุณนะคะสำหรับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณน์นองค่ะพอาจารย์ปอน ท่านฟังคะที่นี่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว SM106 ็หดิฉันสันสีนาคพงดำเนินรายการสัมมนาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้พุทธวสสวัสดีค่ะ